ในหาระที่เราศึกษาผ่านมาแล้วทั้งหมดได้กี่หาระแล้วได้ห้าหาระแล้วเนาะตอนนี้กำลังเรียนหาระที่หกอยู่คงทบทวนนะว่าหาระคือวิธีกำจัดความหลงความสงสยัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์เพราะว่าผู้ที่ไม่มีความรู้เรื่องหาระมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความหลง หลงในพทุทธพจน์นะพุทธพจน์เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่หลงหรอกแต่คนที่ศึกษาพทุทธพจน์เนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์หาระ เ, าเป็นไปได้ที่จะหลงสูงมากเานะี่ยมันวิธีขจัดความหลงหรือคนที่ศึกษาพุทธพจน์นั้นถ้าไม่เข้าใจหาระเป็นไปได้สูงมากที่จะสงสยัยสงสยัยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้นะตั้งเครื่องหมายสงสยัยเต็มไปหมดเลยเกือบทุกหน้ า, านะเนี่ย ของเรามีนนในห้องตั้งเครื่องหมายสงสัยไว้เลยขอามาก็เป็น <c oughs> นันคืออะไรเนี่ย <c oughs> เรียก ว, ว่ามันถ้าศึกษาหาระก็ทําให้ความสงสัยเนี่ยลดลงไปอย่างลักษณะหาราลักษะหาราเดียวนี้ก็ช่วยได้ตั้งหลายสิบเรื่องแล้วนะแล้วก็ความเข้าใจผิดเพราะว่าคนที่ไม่ศึกษาหาระเนี่ยนะเป็นไปได้ที่จะเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ ตีความพระพุทธพจน์ไปตามตามความคิดของตัวเองซึ่งก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงคิดแบบนี้แหละไม่เข้าใจพุทธประสงค์เนี่ยนะในจจตุพยุหะหาระนั้นมีอธิ ป, ปายะเนี่ยนะเป็นเป็นหาระที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่พระองค์แสดงธรรมนั้นพระองค์มีพุทธประสงค์อย่างไรเนี่ยนะอันนี้สำคัญมากหาระทั้งหลายทั้งหาหาระที่เรียนผ่านมาเนี่ยนะก็ช่วยทำให้เข้าใจพระพุทธพจน์ขึ้นอีกมากังนั้นคนที่เรียนหาระระดับหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะไปอ่านพระไตรปิฎกคิดว่าเบากว่าเดิมเนี่ยนะเพราะว่าเข้าใจกฎเกณฑ์มากกว่าเดิมเมื่อเข้าใจกฎเกณฑ์นิยามความหมายต่าง เวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดปรามโมทอ่อนๆก็เกิดขึ้นบางท่านเล่าว่าอ่านแล้วก็ปีติเลยเนี่ยนะก็บางคนก็ปีติเกิดขึ้นก็อนุโมทนาด้วยนะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีความไตรรัตในเบื้องต้นคืออ่านเรียนฟังนิวรณ์ไม่กลุ้มรมเนี่ยนะปีติปราโมทเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติหรือเมื่อเจริญไปแล้วจิตก็สงบระงับ ปีติปราโมทก็เกิดขึ้นอีกเร่งถ้าบรรลุมรคลด้วยถือว่าเป็นปีติปราโมทอย่างยอดเยี่ยมที่ท้าสา ก, กะเนี่ยตอนที่รบชนะอาูลทั้งหลายเนี่ยนะครองดาวดึงเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวนี่ก็ตอนนั้นก็บอกว่าดีใจมากดีใจที่ตัวเองเนี่ยมีอํานาจยิ่งใหญ่ถึงขนาดพวกอาูลเนี่ยไม่ไม่มาย่ํำยีอีกแล้วชนะเด็ดขาด แต่ท่านบอกว่าไอความดีใจอันนั้นเนี่ยเป็นไปกับด้วยวัตะเป็นความดีใจที่ไม่ประเสริฐสูงสุดอะไรถ้าเทียบกับความดีใจที่เกิดจากการบรรลุธรรมที่พระผู้มีพระภาคแสดงเนีเป็นปีติปราโมทที่เป็นไปเพื่อสงบประงับดับวัตะจริงๆอันท่าศึกษาพระธรรมคําสอนที่ถูกต้องนั้นเบื้องต้นก็โสมนัสท่ามกลางก็ควรจะโสมนัสที่สุดก็โสมนัส บางคนพอฟังอย่างนี้ก็ท้อใจอีกไม่เคยโสมณัสกับเขาเลยทําไมมันแห้งแล้งขนาดนี้ชีวิตนี้แห้งแล้งจริงๆเลยนะก็ด้วยเหตุผลหลายประการนะพื้นฐานบางคนมันเกิดมาอุเบกขาสหค า, าตังมันจะไปโสมนัสได้เท่านั้นแหละนั่นนะอันนี้อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือสปายะไม่ค่อยดีถ้าไม่ได้สปายะเป็นต้นเนี่ยนะปีติไม่ค่อยเกิดยิ่งบางคนที่เกี่ยวข้องกับ ในแวดวงที่แต่ละคนเนี่ยคนดุทั้งนั้นเลยนะพวกนี้ปีติยากมากอยู่ในแวดวงที่เรียกว่ามีแต่คำคำพูดที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บที่สุดเท่าที่จะเจ็บได้ในแวดวงสังคมลักษณะนั้นยากที่ปีติจะเกิดมันเหมือนกับว่าฝนมันแรงแรงแห้งแห้งเนี่ยนะถ้าต้นไม้ต้นไหนสดชื่นบริเวณนั้นนี่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทนะํ า, ไ ม, ไ, นะม า, าทไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารอบข้างมันแห้งแรงเหลือเกินอยู่ในท่ามกลางคนที่ ดุเนี่ยนะยากนักที่เราจะเกิดปีติและปรามโมน้นเหมือนกับว่าอยู่ในแวดวงที่คนใจร้อนทั้งหมดเนี่ยนะใครที่ใจเย็นนั่งอยู่ตรงนั้นได้นี่ก็นับว่าเก่งมากนี่ก็ลักษณะเดียวกันมันเหตุที่ไม่ปีติปรามโมน้นไม่เกิดขึ้นก็ด้วยเหตุผลหลายประการแต่ว่าโดยรวมๆเนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะถึงปีติปรามโมน้นไม่เกิดมากก็ไม่ต้องไปเสียใจในเรื่องวัตถุกามเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไร ไม่มีโทสะนี่ก็ถือว่าได้บุญแล้วนะนะนะนะบุญทํามากไม่ได้เพียงว่า น, นิวร์ไม่ค่อยกลุ่มรุมนี่เป็นอันใช้ไดนะ้ในหาระเนี่ยนะนะที่พระมหากจจยนะท่านยกขึ้นมาแต่ละหาระเนี่ยนะเกืนะนะ้อกูลต่อต่อทำให้เราเข้าใจพระรพุทธพจน์มากอย่างเช่นเทสนาหาระเรารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าแสดงอะไรเพราะพระธรรมทั้งหมดนี่มันก็อยู่ใน6อย่างนี่แหละไม่ไม่มีเกินหรอก ใช่มอศาศะทะสองอาทีนวะสนิสระณะหาส่ผลหอุบายหกอนัตกฎเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าจะย่อๆมาแล้วก็มีอยู่เท่านั้นจริงๆอังาาอาธาะอาทีนวะนิสรณะก็คือประกาศอริยสัจผลผลถ้าพูดผลก็พูดมาจากเหตุัน้นแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลอุบายก็คือเหตุเนี่ยนะ เพื่อให้บรรลุถึงผลนั้นนั้นส่วนอาณัตก็คือบอกว่าชี้เหตุชี้ผลแล้วก็ยังไม่เอาก็ต้องสั่งกันหน่อยเนี่ยนะก็คำว่าสั่งก็คือแนะนําอะไรควรอะไรไม่ควรชี้ชัดออกไปเลยในการเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ใช้บทนะเป็นเป็ น, ปนบทที่เอามาแสดงก็เป็นคำคำเขาเรียกว่าบทก็พูดมาเป็นคำคำคําที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะโดยเป็นสองอย่างคือเป็นคําถามกับเป็นคําตอบบางอย่างก็มีผู้อื่นมาถาม บางอย่างพระองค์ก็ถามพระองค์เองแล้วตอบพระองค์เองอ น, นะถ้าถามเองตอบเองเขาเรียกว่ากระเทตุกรร ม, มยตาปุจชากับอานุมติปุจชานี่นะถามเพื่อจะตอบเองอย่างหนึ่งถามเพื่อเรียกว่ารอคําอนุมัติ น, นะนีคือหมายเขาว่าคนอื่นเขาเห็นด้วยไหมสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยง น, นะเขาตอบบอกว่าเห็นด้วยว่ามันไม่เที่ยงจริงๆอั้นก็บทปุจชาวิษัชนา แล้วก็คำหน้าคำหลังควรจะสัมพันธ์กันเนี่ยนะนะถามถามอย่างถามอย่างไรก็ควรจะตอบตามแนวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พูดแบบพระเจ้าชาติศัตรูไปถามพวกปุรณะกสปะนะว่าไงถามมะม่วงตอบขนุนสัมมหลอถามขนุนสัมมลอตอบมะม่วงว่าก็ว่าไปถามเรื่องสามัญญผลไปตอบที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสามัญญผลที่ไปไปถามเลยพัน ค ำ, คำสอนของพระพุทธเจ้ า, าบทหน้ากับบทหลังหลักคําถามคําตอบต้องสัมพันธ์กั น, นเนี่ยนะทีนี้ในคําหน้าคําหลังที่สัมพันธ์กันอย่างนี้นเนี่ยนะท่านถามเรื่องอะไรก็ถามเรื่องอส า, า, าธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอนัตถ้าตอบตอบเรื่องอะไรก็ตอบเรื่องอส า, า, าธาอาทีนวะนิสรณะนะผล อ, AY, อุบายอานัตอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าหลักการใหญ่ๆ อ, อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้านี้ประสงค์จะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยตรัสรู้ อริยสัจเมื่อสัจทั้งหลายตรัสรู้อริยสัจทั้งสัทั้งหลายก็จักพ้นจากกองทุกข์ทานหลักการคำถามคำตอบเหตุผลทั้งหมดก็เพื่อจะอธิบายให้เห็นอริยสัจชี้ชัดในหลักอริยสัจอยู่นั่นแหละทีนี้พระองค์ก็ยังกล่าวถึงว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแรกตรัสรู้กับใกล้ปรินิพานควรจะเป็นร่องรอยเดียวกันใช่ไม ควรจะอยู่แนวเดียวกันไม่ใช่ว่ามีความแตกต่างกันพระพุทธพจน์ตลอดระยะเวลา45พรรษาไม่มีความแตกต่างกันเลยประดุษทองที่หักตรงกลางเนี่ยนะทองแท่งที่หักตรงกลางเนี่ยนะก็เนื้อนี่ก็เหมือนกันไม่มีการขัดแย้งกันไม่มีอะไรเนื้อหาสมบูรณ์บริบูรณ์หมดเลยไม่ต้องแก้ไขไม่ต้อง เพิ่มเติมอันนี้เรียกว่าเป็นอนุคีติเนี่นะเป็นความสอดคล้องความเหมาะสมนนะความสมควรที่เรียกว่าเอามาท่องเอามาสาธยายเอามาไ ค, ครวนได้เลยเนี่ยนะจะจำภาษาจะจําสูตรที่ตรงตรัสในภรษาแรกหรือพราษาสุดท้ายเนื้อหาก็คงเดิมเนี่ยนะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั่นเป็นศัจธรรมแต่เป็นศัจธรรมระดับอริยศัจธรรมไม่เหมือนสมมติศัจจนะ สมมติสัจจะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยอย่างเช่นกฎหมายเนี่ยนะเป็นสมมติสัจจะมันกฎหมายก็จะมีการจริงไหมจริงแต่จริงในแง่ตัวบทกฎหมายแต่ว่าความจริงอันนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่อริยสัจจะนั้นเหมาะสมโดยประการทั้งปวงไปลดของพระองค์ก็ไม่ได้พระองค์ท้าเลยนะว่าใคร ไม่มีสัมพนพภา์คนใดเนี่ยที่จะโดยชอบทมเนี่ยไปลดว่าอริยสัจคุณเหลือสามก็พอบอกไม่ครบนะมันขาดไปข้อหนึ่งควรจะห้าอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมพอดีเป้เลยสมควรแล้วเนี่ ย, เ, ยเหมาะสมที่สุดพันอนุคีติความสมควรนี่สำคัญมากทีนี้เมื่อการกล่าวบทธรรมทั้งหลายการสาวไปหาปัจจัยหรือสาวไปหาต้นเหตุนี่สาคัญมากพัน ท่านจียงแสดงปทัฏฐานะหะระเป็นลําดับต่อมาใช่เพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องอะไรนี่ควรสาวไปหาต้นตอหรือต้นเหตุต้นตอต้นเหตุนั้นเรียกว่าปัฏฐานหรือเหตุใกล้นะใกล้ใกล้อ่ะก็สาวไปหาเรื่อยๆแต่ว่าเหตุใกล้ที่พระพุทธเจ้าเน้นเอามาแสดงในเหตุใกล้ของอะไรเหตุใกล้ของวัตฏะกับวิวัฏฏะว่าวัฏฏะนี่มีเหตุใกล้เป็นอย่างไรวิวัตฏะเหตุใกล้เป็นอย่างไรหลายท่าน สาธยายอธิตะปริยายสูตรมาเนี่ยนะคำสอนในอธิตะปริยยสูตรเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของวิวัตะลักษณะนั้นการพิจารณาตามแนวนั้นเป็นเหตุใกล้ของวิวัตะนะแต่ถ้าโลกะนิโรธสูตรเนี่ยทั้งเหตุใกล้ของวัตตะกับวิวัตะเพราะแสดงทั้งความเกิดขึ้นแห่งทุกความเกิดขึ้นแห่งโลก น, นะความดับทุกความดับโลกอันนั้นความเกิดขึ้นแห่งทุกความเกิดขึ้นแห่งโลกอันนั้นเป็นวัตตะเรียกเหตุใกล้ของวัตตะ ส่วนความดับทุกความดับโลกอันนั้นเป็นเหตุใกล้ของวิวัตตะมันปรทัดฐานเหตุใกล้ของธรรมทั้งมวลนี่ก็ควรที่จะเอาไว้ไครครวนแม้กระทั่งเหตุใกล้ของรูปปัจขันทั้งมวลก็คืออะไรมหาพูดเหตุใกล้ของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็คือผัสสะเหตุใกล้ของวิญญาณขันคือนามรูปก็คือขันที่เหลือนั่นแหละเหตุใกล้ของวิญญาณ วิธีคิดง่ายๆว่ามหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้ของรูปประขันทั้งหมดภาษะเป็นเหตุใกล้ของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันขันสี่ที่กล่าวไปทั้งหมดคือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเป็นเหตุใกล้ของวิญญาณขันถ้าจะหาวิญญาณขันก็หาใกล้ๆมหาพูดเป็นต้นนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าตัวใดที่ไปรู้ รูปขันหรือขณะที่เสวยเวทนาขันเกิดขึ้นขณะนั้นมีวิ ญ, ญญาณขันเกิดร่วมด้วยนั้นเหตุกล้ของวิญญาณขันก็คือขันสีที่เหลือนี่แหละเป็นเหตุใกล้ของวิญญาณขันในต่อไ ป, เ, อปเมื่อเรารู้ประทัฐานหาหาระข้อที่สำคัญต้องหาข้อยุติใช่ไหม หาเหตุใกล้หาไปหามาสาวไปสาวมาบางพวกสาวซะจนวุ่นวายไปหมดเลยก็มีอะไรนะอันนูนก่นนี่นี่นอันนี้ก็ใช่อันนู้นก็ใช่สาวไปสาวมามันยุ่งไปหมดเลยอันนี้ก็สําคัญมากก็ต้องมีข้อยุติใช่ไหมเพราะแต่ละคนนี่ก็มีมีเหตุผลเป็นของตนของต น, ของตนเนี่ยนะในการการกล่าวธรรมะการอธิบายธรรมะเนี่ยนะทุกคนมีข้อมีข้อมูลเหตุผลของตนของตนกันหมดเลยเอาอะไรเป็นเครื่อง ยุติอันนี้แหละต้องมียุติหาระหาข้อยุติเข้าไว้ถ้าไม่มีข้อยุตินี่ยุ่งมากเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนประชุมไปแล้วไม่มีบทสรุปอะไรสักอย่างไม่รู้จะเอาอยัางไงอ่ะนะแต่ละคนก็เสนอเป็นของตนเป็นของตนขึ้นมาเนี่เอาไงคะนี้อันนี้แหละเรียกว่าต้องหาข้อยุติอะไรเหมาะสมอะไรสมควรที่สุดอย่างการศึกษาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถ้าปริยัติธรรมเอาอะไรเป็นข้อยุติ ถ้าปริยัตเนี่ยถ้าการศึกษาปริยัตเนี่ยหยุดที่ไหนแค่ไหนจึงจะพอเรียนเมื่อไรเนี่ยโยมบางคนบอกนี่ต้องเรียนอีกถึงไหนเนี่ยเขงกงั้นเราฟังแล้วท้อเลยอย่า น, นีแล้วมองมาจะไปถามใครกันเนี่ถามว่าจะต้องเรียนอีกแค่ไหนสงเคราะห์ผ้านหน่อยเถอะแล้วต้องเรียนถึงไหน ท่องก็แล้วสาธยายก็แล้วอ่านก็แล้วฟังก็แล้วเนี่ยไปถึงไหนเมื่อไหรน่ น, นี่นาเหมือนกันรู้แล้วนะอ๋อเอาจนบรรลุเลยนะก็คําว่าพหูสูตรนี่แค่ไหนเนาะเรียกว่าพระหูสูตรใครที่เรียนเรียนไม่มากโดยที่สุดแม้คาถาสี่บาทก็ตามถ้าเรียนจนว่าเข้าใจอริยสัจปฏิบัติตามบรรลุได้ อันนั้นไหนรียกว่าเป็นพหูสูตรดังนั้นความเป็นพหูสูตรอยู่ตรงนั้นอย่างเราฟังมากเรียนเยอะก็จริงไงนะแต่วัตถุประสงค์ของการเรียนทั้งหมดเนี่ยยุติลงที่ไหนก็ที่อริยสัจทีนี้การแต่บางคนนี่ก็บอกอริยสัจอะไรเข้ารู้ไปหมดเลยแต่กิเลสเท่าเดิมอันนี้ก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมพราะการรู้อริยสัจ ต, ต้องอยู่ที่การละกิเลสเอาละกิเลสละแบบหลับๆหรือเปล่า ไม่ใช่ต้องรู้ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมกับปฏิโลมท่านั้นกฎเกณฑ์เขาฟัมีอยู่เท่านั้นอ่ะการเรียนทั้งหมดอยู่ตรงนั้นจริงๆเรียนท่าถ้าใครสังเกตดีๆนีฟังธรรมเนี่ ย, ยก็ฟังอริยสัจอยู่ปียังค่ําเข้ามาตั้งแต่เนี่ร่วมสิปีแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเรียนเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยเรียนอริยสัจเท่านั้นเอง4ประการเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมักอยู่สค่คำนี่แหละเนี่ยนะเพียงแต่ว่า อธิบายเพิ่มเติมโครงสร้างหลักๆมีอยู่เท่านี้แหละทุกอย่างนี้เป็นไปกับอริยศาสตร์หมดเลยปัญหาก็คืออ่านแล้วไม่เข้าใจอริยศาสตร์นี่ยุ่งมากเลยนี่เอ๊นี่มันสัจจะไหนเป็นสัจจะไหนตรงนี้แหละลำบากใจเลยเนียไม่รู้ว่าท่านบรรลุอริยศาสตร์กันตรงไหนนะก็บอกว่าตอนท้ายของชาดกก็ประชุมสัจจะแล้วบรรลุเอ๊มันสัจจะตรงไหนอ่านแล้วไม่เห็นมีสัจจะสักอันเลยนะตรงนี้ไม่รู้ว่าชาดกไม่ดีหรือคนอ่านไม่เข้าใจเองก็ไม่ทราบ คําว่าสัจจะของเราเนี่ยต้องพูดแบบธรรมจักรไหมจริงจะเห็นว่าเออนี่มันสัจจะจริงๆหรือต้องประกาศแบบสัจจะบัพพาในสเตปัฏฐานเพราะถ้าเรียนอะไรนะลักษณะหาระมาแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยพันธุพูดสัจจะได้สัจจะหนึ่งก็เพียงพอแล้วเหมือนอย่างในมูลปริยายาตรที่เรียนเมื่อวานเนี่ยถ้ากล่าวว่าปุถุชนไม่ได้ทําปริญญาก็เท่ากับบอกว่า ปุถุชนนั้นไม่มีการละสิ่งที่ควรละไม่มีการทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งปุถุชนไม่มีการเจริญทำที่ควรเจริญสิ่งที่ควรเจริญเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอปริญญาตังโอ้พอแล้วเนี่ยะเนี่ยก็พอแล้วพราะว่าอไม่ทำปริญญาอย่างเดียวก็แสดงว่าไม่ละไม่ทำให้แจ้งไม่เจริญในขณะเดียวกัน ถ้าพูดปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมก็ชื่อว่าพูดแล้วแสดงแล้วมันลักขณหาระเนี่ยสำคัญมากเมื่อเราได้ข้อยุติเกี่ยวกับการศึกษาคําสอนลักขณหาระนี่จะมาควบคุมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในสถานที่เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยกับบางคนไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนีถ้าใครที่รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งดีเนี่ยเขาใช้คําไม่กี่คําใช้คําไม่เปลือง พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นญาติสนิทกับสรรพสัตว์ทุกคนรู้เขาหมดเลยว่าเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยใช้คำยังไม่เปลืองมากเราะฉะนั้นพูดไม่กี่คำเนี่ยเข้าถึงแบบเข้าถึงอะไรนะบุคคลนั้นเข้าถึงอริยสัจที่พระองค์ต้องการสื่อทันทีเพราะว่าที่พระองค์แสดงก็แสดงอริยสัจใช่ไหมภาพปริยัตทั้งหมดเนี่ยยุติลงที่อริยสัจเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยใช้คําที่ผู้นั้นเนี่ยเข้าถึงอริยสัจได้โดยใช้คําไม่เปลืองอะไร นะบางสูตรพรองบอกว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมอีกสูตรหนึ่งบอกของร้อนอีกสูตรหนึ่งบอกของมืดอีกคนหนึ่งบอกเรื่องฝีต่างกันเลยวัตถุประสงค์คือสิ่งเดียวกันเนี่ยนะต้องการประกาศว่าทุกขสัตริย์เขาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนะใครเนี่ยเรียกว่าอะไรนะทุกข์กับเรื่องอะไรน ะ, ข เ, รออะรนะเขาฟังเรื่องนั้นปั๊บเขาเข้าใจเลยอย่างบางคนเนี่ยพอพูดถึงคําว่าหน้าเบื่อเนี่ยนะฟังคําแบบนี้แล้วบางคนบอกอะไรในโลกนี้หน้าเบื่อที่สุด แต่ละคนจะพูดไม่เหมือนกันหรอกถ้าคนสุขภาพไม่ค่อยดีนะเขาบอกเขาเบื่อเรื่องอะไรสุขภาพนี่มากแล้วกันเบื่อไอ้โรคอันนี้มันเมือม่อไหร่จะหายหายเป็นสักทีหนึ่งยังเป็นใจเบื่ออะไรที่สุดในโลก <c oughs> <c oughs> เบื่อว่าตาที่สุดเลยนะโอ้ <c oughs> ถ้อย่างงั้นก็วิปัสสนาใกล้กันนะสูงส่งมากแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วแต่ว่านะใครในโลกนี้นะถ้าใครเบื่อว่าตาที่สุดคนนั้นไม่นานพ้นทุกข์ นั้นนะพุการวัดจริงหรือเปล่านะสาธุขอให้เบื่อจริงๆเถอะนะถ้าเบื่อจริงนะเมื่อเบื่อจริงก็บรรลุแน่อริยะสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อนายใช่ไหมเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกําหนัดมันถ้าเบื่อหนายจริงก็คลายกําหนัดแน่แต่ว่าสําคัญมากนะฉันใช้คำว่าวัดตนะต้องเบื่อกรรมวัดวิปากวัดและกิเลสวัดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบริโภควิปากวัดก่อนแลค่อยเบื่อไม่ใช่ เพราะว่าบางคนเนี่ยเดี๋ยวเดยได้สเสวยวิปากวัฏก่อนนะแล้วค่อยพอไม่ได้พอไปสเสวยทำกรรมวัฏต่อไปอี ก, กนะ น, น, นี้ไม่ใช่แน่นอนคืออริยสัจดังกล่าวไปว่าอริยสัจนี่ต้องสประการใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจนี้เข้าเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่สามารถที่จะตัดอันใดอันหนึ่งออกไปได้ทีนี้ใจความที่พระอัสชิตรัดแสดงกับพระสารีบุตรท่านบอกว่า ทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดทำเหล่าใดก็คืออุปาทานขันห้าเหตุตบ ป, ปะพวานี่นะมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็แสดงเหตุเกิดของธรรมเหล่านั้นไอเหตุที่ทําให้เกิดอุปาทานขันห้าคืออะไรก็ตันหาตันหาเป็นต้นน่นนะถ้าเป็นมูลปริ ย, ยสูตรคืออะไรปัปมัญญาตันหามานะทิฏฐิ ปุตชชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นภารยะไม่ฉลาดในธรรมะของพารยาอันนั้นคืออวิชชาอาวิชชาตันหามานะทิฏฐิเป็นเป็นเหตุเกิดของของอุปาทานขันธ์ห้า น, น, นเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถ า, าคตสแสดงเหตุเกิดของธรรมนั้นเนี่ยนะกับคำว่าสัพพะธรรมะมูลปริ ย, ยะคือสิ่งเดียวกันไม่ต่างกันโดย อัฐะเนี่ยนะแต่พยัญชนะต่างกันเท่านั้นเองทีนี้เมื่อแสดงทุกข์กับสมุทยัยเนี่ยนะเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัดความดับเหตุแห่งธรรมนั้นตรัดความดับเหตุนะคำว่าดับในทีนี้เป็นชื่อของพระนิพพานเมื่อแทงตลอดสภาวะแห่งพระนิพพานจึงจะดับไอตันหามานะทิฏฐิได้จึงจะดับอวิชชาได้เพราะว่า พระนิพพานเนี่ยเป็นที่เพิกถอนแห่งตัณหาเป็นที่สร้างแห่งความเมาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่ตัดฉันทราคาถ้ายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์น ย, ยังดับฉันทราคาได้โดยประการทั้งปวงไม่ได้อย่างสัตว์ทั้งหลายที่ข่มตัณหาอยู่ทุกวันทุกวันก็เหมือนกับเถาที่มันเลื้อยได้ก็แค่เด็ดยอดกันอยู่เท่านั้นเองยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนอะไร มันการเจริญสมถาวิปัสนาการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นนะพวกนี้ก็คือเด็ดยอดเด็ดยอดยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนอะไรแต่เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะถอนรากถอนโคน น, นันลการที่จะดับตัณหาอวิชชามานะทิฏฐิเป็นต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ดับจริงๆเนี่ยนะนะแล้วธรรมชาติของพระนิพพานก็เป็นสภาวะที่ดับเนี่ยนะนะ ซึ่งมันมันตรงกันข้ามกับไอความร้อนของวัตทุเนี่ยนะมันอยู่ที่ความดับพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้พันพงตรัสว่าทำเหลา่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดภาษาที่บุตรฟังเข้าใจเลยว่าเป็นปริญญาธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเหตุเกิดแห่งธรรมนั้นภาษาที่บุตรเนี้ฟังออกเลยว่านั่นเป็นปหาตประธรรมอ่นนนะนะพงแสดงความดับเหตุแห่งธรรมนั้นภาษาที่บุตรก็ฟังออกอีกเลยว่านั่นเป็น สัจฉิาตปรธรรมท่านรู้ในแห่งการเจริญให้ได้อย่างกล่าวเนี่ยเป็นพันในในนะรู้วิธีเจริญอย่างอย่างที่ที่ภาษาอสสชิแนะนำเนี่ยนะรู้เป็นพันวิธีการนะที่ที่จะเข้าถึงความดับอ น, นั้นได้เกิดเราต้องถ้าถ้าศึกษาพื้นเพ ข, ของภาษาริบบทเนี่ยเราก็จะเข้าใจท่านว่าท่านเป็นผู้สแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยนะ คือวันหนึ่งที่ท่านไปดูละครกันใช่ไหมดูละครบอกพวกแสดงละครเนี่ยไม่ถึงร้อยปีตายกันหมดอ่ะพวกมาดูละครนี่ก็เหมือนกันไม่ถึงร้อยปีพากันไร้นัสิ้นชื่อแน่เนี่ยนะมันก็ทุกคนเนี่ยก็ตายกันหมดทำไมไม่เขาไม่แสแวงหาธรรมที่พ้นจากความตายเมื่อไหร่ เ, เขาจะพ้นจากความตายเหล่านี้สักทีหนึ่งมันเราไปหาวิโมกขธรรมกันเถอะโมกขธรรมก็คือธรรมที่พ้นจากความตายสแสวงหาธรรมที่ทําให้พ้นจากความตาย พันโจดของท่านก็คือแสวงหาธรรมที่พ้นจากความตายก็เข้าไปสำนักอาจารย์สันชัยใช่ไหมก็อาจารย์สันชัยเนี่ยคำสอนเข้าใหญ่ๆนะคือคำสอนปะไหลคือกลุ่มอมราวิเขปะเนี่ยนะท่านว่าไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ใช่ัหมไม่ใช่ก็ไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่าแล้วก็มีหลักการว่าว่ารวมๆก็คือหลักลัทธิปลไหล เสรแล้วแล้วก็ภาษาบุทรก็ไม่พอใจเรียนอยู่ไม่กี่วันนี่ก็จบกระบวนท่าวิชาหมดก็ไปเที่ยวถามหาอาจารย์อื่นๆแกไปอยู่เก้าสิบกว่าอาจารย์เนี่ยนะเก้าสิบกว่าอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์แรกๆ ก, ก็ไปเที่ยวถามหลังจากนั้นมาเนี่ยภาษาบุตรไปเที่ยวต่อปัญหาพวกอาจารย์ทั้งหลายแหละก็เลยโอ้มันไม่เห็นมีใครรู้ธรรมะเป็นที่พ้นทุกเลยนั่นก็พอไปเห็นภาษาภาษสัจ chi เข้าเห็นเลื่อมสายว่าสมณะองค์นี้ต้องเป็นพระอรหันต์แน่เนี่ย คำว่าพระอาหารเนี่ยคนสมัยนั้นเขาเข้าใจเลยว่าผู้ไกลาจากกิเลสผู้กําจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นต้นเนี่ยท่านเข้าใจว่าความเป็นพระอาหารนิยามของเขาเนี่ยแขร์ขนาดไหนมันเป็นภาษาของเขาอะ่ะเสร็จแล้วก็พอฟังธรรมอย่างนี้ปั๊บเขาเห็นช่องทางแห่งความเป็นพระอาหารพอฟังจบรู้เลยว่าคําสอนนี่ต้องเป็นของพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้านี่เกิดขึ้นแล้วในโลกจริงๆเนี่ยนะก็ถามว่าภาษาสดาของเราอยู่ที่ไหน ซึ่งคนสมัยนั้นเนี่ยเขาหาทางออกของชีวิตมากคืออย่างบุคคลกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ได้ถือว่าความสําเร็จทางวัตถุกรรมเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิตเนี่ยนะแม้กระทั่งเจ้าชายสิทธัตก็เหมือนกันเป็นคนที่มีความสุขถูกบํารุงบำเรอด้วยวัตถุ ก, การมอย่างเต็มเปี่ยมแต่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่สุขที่ท่านต้องการพระสารีบุตรก็เหมือนกันเนี่ยนะมีทรัพย์อยู่เกือบร้อยโกดเนี่ยนะท่านก็ไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการ ถ้มามหากระส ป, ปะนี่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเจ้าของจังหวัดใหญ่ๆสักจังหวัดหนึ่งแกมั่งมีขนาดนั้นอ่ะเจ้าของจังหวัดเลยนะก็บอกว่าลูกน้องของท่านเนี่ยบอกเออแกจงเป็นไทยแกจงเป็นไทยประกาศอยู่อย่างนี้ร้อยปีก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเนี่ยทาก็สแสวงหาทางออกจากวัตฏะจริงๆนี่เป็นพื้นเพของบุคคลสมัยนั้นซึ่งต่างจากยุคนี้ค่อนข้างมากยุคนี้เขาบอกว่าพระที่ไหนที่จะทําให้เขาได้วัตถุกรรมมา ก, มากๆเขาจะไปหาที่นั่นะนะซึ่ง แนวความคิดโดยรวมๆนี่แตกต่างกันมากคงมาทบทวนนะว่าลักธณาหาระเนี่ยนะถ้าศึกษาพระธรรมมากว้างขวางหน่อยถ้าพูดแต่อย่างเดียวก็พออย่าไปคิดว่าแสดงไม่สมบูรณ์นนะที่อัตกราท่านนิยมยกตัวอย่างว่าเหมือนกับมองไปในน้าเห็นหลังจระเข้แล้วมีบุคคลชี้ให้ดูหลังจระเข้เนี่ยนะถ า, ถามว่าเขาชี้ทั้งตัวไหมชี้เฉพาะหลังเนี่ยนะก็ชื่อไปชี้ทั้งตัวแล้วฉันใด การกล่าวธรรมะก็เหมือนกันนีนะซึ่งในขณะเดียวกันไม่มีใครชี้ได้ทุกซอกทุกมุมเหมอนะอย่างเหมือนอะไรนะแวะไปตรงไหนแล้วก็ชี้ให้ดูบ้านนี้บ้านคนนี้ตรงเป็นอย่างนี้นะก็ชี้ให้จะดูเฉพาะหน้าบ้านสักหน่อยก็พอใช่ไหมคงไม่ต้องไปถึงสํารวจบ้านเขาขนาดนั้นหรอกการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะหาระทีนี้ในหาระดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยนะ เวลาแสดงก็แสดงอะไรเนรุตตมะทิปายโยอันนั้นเนรุตก็คือนิรุตก็คือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษ า, า, ษากฎเกณฑ์ของถ้อยคำเนี่ย น, นะถ้าเป็นของอไวยากรณ์ก็เป็นเนี่ยพวกบทเนี่ยนะพวกนามะบทอขาขยาบทกิริยาบทพวกปุงลิงอิทธิลิงนปุงสักลิงเอเกพจน์ปหูพจน์วิพัตเจตอะไรพวกนี้มันก็เป็นกฎเกณฑ์ทางภาษาถ้าเป็นของไทยก็อะไรอักษรศาสตร์ใช่ไหมนั่นนะ สายภาษาศาสตร์น่ะก็เรียนเรื่องกฎเกณฑ์หลักการของภาษามาเป็นอย่างดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเนรุษที่ตรงนี้แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะนะวิเคราะห์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสต์เรื่องแสงนะเกี่ยวกับเรื่องพยัญชนะทั้งหมดเนรุตตมะทิปปาโยในอธิปายะแปลว่าความประสงค์ตรงนี้ที่ที่เราควรควรให้ความสําคัญมากมาเลยนะเวลาศึกษา ว่าพระพุทธเจ้าประสงค์อะไรคําถามแบบนี้เราควรจะตั้งถามบ่อยๆว่าพระองค์ประสงค์อะไรจึงแสดงธรรมพระธรรมแต่ละบทแต่ละบทที่พระองค์แสดงนี่มีความประสงค์อย่างไรหรือที่เราเรียกว่ามีพุทธประสงค์อย่างไรอนนอย่างภาษาไทยอธิบายว่าอธิบายตัวนั้นแปลว่าความประสงค์ช่วยอธิบายหน่อยก็คือเนี่ยบอกต้องการประสงค์อะไรนะะคำว่าอธิบายนี้แปลว่าความประสงค์ พระพุทธพจน์เนี่ยพระองค์ประสงค์อะไรเช่นคาถาแรกใช่ั้ยทำแลย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติ ธ, ธรรมเหมือนร่มใหญ่ที่ช่วยกันในเวลาฝนตกฉะนั้นนี้เป็นอ น, นิสง์แห่งธรรมที่ประพฤติดีแล้วพระองค์ประสงค์อะไรพระองค์ประสงค์ว่าใครต้องการที่จะพ้นอบายนะให้พากันประพฤติธรรมเข้าไว้ถ้าประพฤติธรรมดีแล้วจกพ้นอบายคาถาที่สองพระองค์ประสงค์อะไร ที่แสดงว่าโจรผู้ถูกเจ้าหนะ้าที่จับได้พร้อมทั้งของของกลางเนี่ยนะที่ทางเข้ารั้วบ้านหมายว่าจับโจรได้คาค า, าหนังคาเขาอ่ะนะคาของอะ่ะไอคำว่าคาหนังคาเขาเนี่ยมันมาจากโจรลักควายอ่ะนะคาหนังก็คือหนังควายนะเขาค ว, วายอะ่ะไปลักควายแล้วก็ไปฆ่าควายเขาอะ่ะเห็นอยู่เนี่ยนี่ห น, หนังควายนี่เขาค ว, วายแปลว่าจับได้คาหนังคาเขา อันนี้ก็เหมือนการจับได้พร้อมทั้งของกลางตอนใครที่ถูกจับได้อย่างนี้ก็ถูกฆ่าฉั้นใดอะนะกฎหมายโบราณนี่โหดมากฆ่าจริงๆเลยนะทำไมนี่ยังมากก็ประหารชีวิตต่างกันไหมไม่ต่างกันนะก็แต่ว่าไอ้โทษประหารชีวิตในยุคนี้นะบางประเทศจึงจะมีบางประเทศก็ไม่ค่อยมีละพวกโจรที่ถูกจับได้พร้อมทั้งของกลางอย่างนี้ก็ต้องถูกฆ่าหรือถูกจองจํา ผู้ที่ทำบาปกรรมไว้ก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมผันผู้ที่ทำบาปประกรรมไว้ก็ต้องถูกฆ่าถูกจองจำเพราะใครก็ตามที่ประสงค์พระองค์ประสงค์ว่าบุคคลถ้าทำกรรมที่เป็นบาปก็จะให้ผลเป็นทุกข์ถ้าไม่ปรารถนาทุกข์ก็อย่าทำบาปอย่างที่พระองค์แสดงว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวทุกข์ท่านอย่าทำชั่วนะเพราะถ้าท่านทาชั่วต่อให้ท่านเหาะไปในากาท่านก็ไม่พ้นไปจากความชั่ว นีไม่พ้นจริงๆ